ร่างกายมันบกพ่องอะไรอยู่เนี่ยตนก็ไม่รู้ น, นั่นเองควรจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่รู้แล้วปล่อยให้มันบกพ่องไป ม, มากๆแล้วบนี้มันก็วิบัติขึ้นมาอันนี้ก่อนวิบัติขึ้นมาแล้วก็กลัวเนี่ยแก้ไขได้ก็ต้องกินเวลานานเพราะนั้นนักภาวนาเนี่ยมันต้องสำรวจเ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ทุกส่วนเลย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 เอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้มันมันก็บกพร่องทางกายบริหาร อ, อันผู้พูดอยู่นี่นะ่ะก็ได้ถูกมาแล้วจึงได้นำมาตักเตือนซึ่งกันและกันไว้ในที่นี้อันพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอาเป็นอนิจจังทูกขังอนัตตา อันใดก็ไม่ใช่ของตัวของตนสักอย่างก็เลยปล่อยเลยทำเลยท้องมันจะโผลอยู่ตั้งสองสามวันก็ปล่อยให้มันโผลอยู่นั้นไม่คิดปรับปุงให้มันเดินเป็นปกติในส่วนก็เกิดโรคนล็บท้องเี็บชาขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะมันถืออนัตตาเกินประมาณ คือว่าไม่ใช่ของตนเราก็เลยไม่เหลียวแลมันเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันคราวนี้มันก็ได้รับความลำบากมากแนละ้วตนยังไม่ทันตายแต่ว่าร่างกายนี่มันบอบท่ำเต็มทีแล้วมันจะตายมันก็ไม่ตายปะนี่อย่างนี้มันก็ทำให้ได้สเสวยทุกขเวทนามากนั่นนะโรคภัยไข้ขเจ็บของคนเรานี่นะ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 มันมันหมดกรรมหมดไปนั้นไปก็มีเรื่องของกรรมวิบากเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ภาวนาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่เป็นของรักษาได้ยากเช่นนี้นะก็จะเกิดนิพิทาโคมเบรนายขึ้นมาเพราะว่า เมื่อมีร่างกาย น, นี้มาแล้วมันต้องประครบประ ง, งมมันทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะประครบประ ง, งมมันอย่างไรๆก็ตามถึงข่าวมันจะวิบัติมานี่มันก็วิบตัติไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอย่างนี้แหละผู้มีปัญญาทั้งหลาย พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ถึงได้เบื่อหน่ายมันมการเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่เนี่ยมันจะเป็นทางหลุดพ้นไปจากรูปจากน้ําอันนี้ได้ถึงว่าหลุดพ้นไปได้ไม่ได้ก่อนหลุดพ้นไปเด็ดขาดไม่ได้แต่มันก็หลุดพ้นไปจากความเป็นมนุษย์ ได้ไปเป็นเทวดาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละถ้าบุญกุศลแรงมันก็พ้นจากความเป็นมนุษย์นี้ไปเป็นเทวดาเมื่อไปไปเป็นเทวดาก็มีความสุขสูงไปกว่านี้เป็นมีความสุขยาวนานไปกว่านี้เป็นอย่างั้นมันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใจนี่ ให้มันเกิดความละเอียดปันนิดเข้าไปโดยลําดับนี่นะอันนี้แหละมันทําให้อความเกิดความเป็นอยู่ในที่นั้นๆน่นนะได้มีความสุขอันละเอียดทุก ข, ขุมไปโดยลําดับกันมันขึ้นอยู่กับการฝึกกิจนี่นะถ้าหากว่า การฝึกขวนจิตนี่ไม่ละเอียดพอทำสมาธิกับสมาธิหยาบๆยาบมัวมัวไม่พ่องใสยอย่างนี้น ะ, ะเวลาไปเกิดในภพในชาติต่อไปก็ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ไม่สว่างสวยัยก็เป็นมัวมัวไปเหมือนกันเนะพราะว่าใจดวงเดียวนี้ไปเกิดที่ไหนก็ดี แล้วสถานที่อยู่ก็ไม่ผ่องใสเพราะว่าบุญกรรมที่มันเกิดจากดวงกิจอันนี้นะมันเป็นกรรมที่ไม่ไม่สะอาดพอนั่นแหละเห็นว่าสัตว์โล ก, กย่อมเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นะั้นมันมันเป็นอย่างนี้แหละอืมผู้ได้ทา ก, กรรมมันใดไว้กรรมนั้นมันก็ไปตกแต่งให้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราพู้ไดทําความเพียรทางใจชําระใจผ่องใสได้แต่ว่ากิเลสก็ยังไม่หมดล็อกแต่มันกิเลสถักเบาบางออกไปมากนี่นะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้ก็เป็นเทวดาที่มีรัศมีรังสีสว่างสวัยมากในมันมันออกไปจากดวงขีดดวงนี้เพราะว่าการทําจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันเป็นบุญกุศล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 บุคคลผู้มีใจเศร้าหมองก็เพราะว่านึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเป็นที่เป็นเรื่องไม่ดีบ่อยๆเข้าก็ใจก็เศร้าหมองเข้าไปอือทีนี้ถ้าหากว่าเรากําหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์แก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้มันตกไปความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนี่ล้วก็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 ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละสังขารทาง้งพวงเหล่านี้นะแต่และที่นี่เมื่อผู้ใดฝึกใจให้เข้มแข็งเด็ดเตียวไม่วันไหวไปตามสุขและทุกข์นั่นนั่นใจผู้นั้นก็ย่อมเบิกบานผ่องใสมันเป็นอย่างนั้นการที่จิตจะเบิกบานผ่องใสก็เพราะไม่หลงยินดียินรายไปตามสุขตามทุกข์ ที่เกิดขึ้นในกายกับจิตอันนี้นะเราฝึกจิตใจอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆให้พากันเข้าใจทาอย่างไรใจเราจะตั้งมั่นจะเข้มแข็งจะไม่วันไหว ต, ต่อทุกต่อทุกต่อเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้นะแล้วก็ฝึกเข้าไปแต่อย่างที่ว่ามาแล้วนะอย่าไปลืม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 ทุกจะขันห้าเท่านั้นเองนะอือันนี้แหละการปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้รู้อย่างนี้ให้รู้ว่าใจตนไม่เป็นทุกให้รู้ว่ามันเป็นทุกแต่ขันห้าคือมันแปรปวนมันวันไวไปมาต่างๆนั้น่ ะ, นน ล, ะลักษณะอย่างนั้นเ่ะเดวลักษะลักษณะของความทุกข์ของร่างกายอถ้าใจไม่วันไวแล้วทุกทางใจก็ไม่มี ใจอย่าเป็นทุกข์ก็เพราะใจวันไหวนี่มันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้ค้นทุกข์ไปได้ตามกำลังตามกำลังปัญญาตามกำลังขันติความอดทนจะพึงมี ผู้มีปัญญาสุ ข, ขุมรุ่มลึกผู้นั้นก็เอาชนะทุกข์ได้มากเรื่องอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเลยถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เหตุรู้ผลของความทุกเหล่านี้แล้วจิตนี้มันก็จะอดทนไม่ไหวพอมันรู้ว่าขันห้านี่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตน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 อดีหลนกระสับกระใสยอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดมารู้ชัดว่าอใจจะไม่เป็นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเพ่งดูขันหา้าอนอันนี้จนว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพ ของมันนั่ น, น, นแหละมันถึงจะไม่เป็นทุกข์ทางใจอันนั้นนี่เมื่อรู้แนวทางอันนี้แล้วก็เอาสิทำความเพียรเพ่งพนิด เ, เ, เข้าไปเมื่อเวลาขันห้านี่มันยังไม่แปรปวนก็เราก็เพ่งดูมันอยู่งั้นเลยเพ่งดูว่ามันจะต้องแปรปวนวันหนึ่งให้ได้แน่นอนฮะมันต้องรู้ร่วงหน้าอย่างนั้นแต่ขนาดนี้มันไม่แปรปวนแะ แต่ต่อไปเนี่ยเนี่ยมันมันต้องแปลผันวันหนึ่งให้ได้จากนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลยต้องกําัดรู้เท่าไว้อยู่อย่างนี้เสมอไม่ต้องเผลอเลยมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ได้ความเบาใจสบายใจไม่ต้องกลัวลม้มกลัวตาย ไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเอาก็เรารู้ว่ามันมันหนีไม่พ้นนี่อกลัวเท่าไรก็มันก็หนีไม่พ้นดังนั้น่ไม่กลัวเสียเลยดีกว่าเราต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าไปกลัวอย่างนั้นจิตก็เป็นทุกข์หลายแบบนี้เออเป็นอย่างนั้นถ้าเราฝึกจิตไม่ให้กลัวให้กล้าหาไม่ให้มันหวั่นไหว ไปตามความแปลกวนของขันห้านั่นอย่างนี้มันก็วันเทาทุกทางใจได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้